ใช่เขาไม่ชอบเราเลยเพราะเเป็นรกันแน่ว่าไหครับเชิญให้กราบเรียนหลวงพ่อนอะดอกบัวไม่รับก็ดครับดอกบัวตีจมูวสนใจแค่นัไม่ผมเดี๋ยวอาจารย์ผมไม่ถามเมื่อกี้ผมถามอยากจะรู้เรื่องอยากแะรู้อะไรต่อนะไรเรื่องจิตใจแบบ แต่เราอยู่นอกพุทธศาสนร์าสนาเรียบใส่อะไรยังไงอย่างที่จักไปถามครับครับใช่ครับคือว่านี่ถ้าบอกไปน้อยใครฟังไม่มีใครใช่ที่ท่านตอบให้ท่านฟังเ น, นี่ยท่านตอบไม่เคยถูกดีเลยถูกแต่มันไม่เข้าใจถามมาท่านได้ไปสอบแสดงหาศาสนาอื่นมียังท่านว่าไม่ได้ไปเราแค่ว่ามาถึงศาสนาพุทธพอ คำที่ว่าพอแล้วคนฟังเห็นว่าท่านศึกษาน้อยไปเนี่ยไม้ท่อนเนี่ยเห็นไหมส้นหนึ่งมันอยู่ทางนี้ส้นหนึ่งทางเนี้ยท่านจับตรงกลางมันขึ้นแงบนี้สองส้นมันกย็ยกขึ้นเองของมันครับศึกษาพุทธศาสนาและศานมันหมดที่จะสงสัยแล้วก็ได้หยุดท่านเพียงเดียวท่านในไ ต, ต่ศึกษาศาสนาอื่นยึดเปล่าศาสนาอื่มันอยู่ทางสองนี้ตรงนี้เป็นจุดกลางนะ ครั บ, ค, รบคือตรงนี้สันเห็นความว่าไม่มีที่จะเพิ่มเข้าไปอีกแล้วไม่มีที่เจ้าออกอีกแล้วไอ้ความเข้าใจของสันอย่างนั้นสันก็ตอบอย่างนี้แ ต, ต่มากับใจพระพุทธศาสนาแล้วไปแล้วสำรังเก็น <c oughs> อย่างนั้นอันตมาก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะเรื่องคนรับฟื้พุทธศาสาศนาะอย่งางเมืองไทยเราเน่ยอย่างโยมที่ว่าอัตมาก็ฟังได้เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าพุทธศาสาศะนาะจะผมมือเป็นเรื่องอันนี้ก็ฟังได้เหมือนกัน ถ<พ uka>ึงจะอาจจะมาบอกไปว่าจะเอาฝรั่งมาหัดฝึกคนไทย่ไม่รู้เรื่องเรื่องอะไระโยมศึกษาใจเรื่องทางโลกทั้หลายมันก็เลยดีไปทางโลกรู้เรื่องของโลกไปเรื่องอ น, นี้แท้จริงนั่นไม่รู้จักแต่เราอยู่ในกลุ่มพุทธศาสนาเท่านั้นเลยแต่เรื่องศาสนาที่แท้จริงๆนั้นเราไม่ค่อยไปดูเรื่องมันเป็นใจ อ, อย่างนี้ ถ้าเนะพื่ออหลังข้อสามผมว่าศาสนาพุทธคืออะไรนี่เอผมไม่ยตอบว่าไงครับท่าน <c oughs> อันนี้ไอยโยมที่ต้องไปศึกษาพุทธศาสนาเองอย่ามาเอาความรู้กับคนอื่นไปตอบเลยมันไม่ถูกผมไม่ไม่ผมไม่ได้หมายความงั้นครับผมหมายทึงสมมติเขถาม ม, มามแบบง่ายๆว่า <c oughs> พศาสนาคืออะไรเออย่ยวผมถามท่านพุทธศาคืออะไรท่านาท่านท่านพอจะได้ไอ้จังหวมันไม่ได้มินมีล่ะต้องตอบหนพุทธศาสนาเนี่ พุทธศาสนาเนี่คือความที่ถูกต้องเอานะนะั้นจริงที่ถูกต้องแล้วอืมมันเป็นความจริงใช่ไหมคะใความจริงที่มันจริงนี่ไมจริงเลยที่มันที่มันถูกต้องเลยนะ่ะทุกวันนี้ถ้าเราทําถูกแล้วดูสบายกันทุกคนมันมันไม่สบายเพราะทำไม่ถูกทุกวันนี้ตรงนั้นแหละตรงนั้นเนี่ยคําที่ว่าที่ถูกต้องเนี้ยมันสําคัญมากที่สุดอ่ะเออ อ่าเ uh, uh. อันนี้คุมหมดเลยขั้น <c oughs> ตอนที่คุณได้คัดแก้งเลย <c oughs> อะไรแล้วครับอรอยิยศาสตร์ครับไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องออก <c oughs> ชื่อมันหรอกไอ้จริงที่มันที่ถูกต้องนะ่ะคือความเป็นจริงนั่นแหละมันพุทธศาสตร์นาละ่ะถ้าเราไปถึงความเป็นจริงเราจะไปถามอะไรอีกไหมถ้าบอกเอาแก้วมาอายกแก้วมาแล้วเนี่ยจะไปถามันไม่หมดปัญหาแล้วเอานั้นอันนั้นก็เป็นขันนี่อันนี้เป็นแก้วยกมาให้ดูแล้วคือความจริงแล้วมันก็หมดแค่นั้น น, น, นี่ไม่มีทางที่จะต้องไปแหละ เราจะยอมรับตรืงแต่ยอมรับนะเรื่องต้องมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผมว่ไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราจะยอมรับมายอมรับว่าเราจะมีปัญญาถึงพอตลอดที่จะรับนั่นแหละถ้ายอมรับก็ต้งมีปัญญาที่ถ้ายอมรับปัญญาเออปัญญาเร า, ญญาก็มีญญคำที่วว่ารับไม่จะรับของคลองไปรับอย่างแท้จริงพี่อย่ารับได้รับเอาเี่ยอย่างฉันได้มากมากของใช้ไม่ได้มันโกงมากกวจริงอยู่แต่ว่ามันไม่ดีจะทํายังไง มันเป็นปริมาณใะมันมีคุณภาพอย่างนี้อันนี้ทำไมพูดถึงคือยกอันเดียวนี้มันคู่หมดจัดให้มันคู่หมดทางนั้นนี่นีเรื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นอานจะมาเคยพูดให้ญาติโยมฟังดูสิทธกขานัอะไรไปทั่วคิดป่ะอย่างเราออกมากันเนี่ยไปเรียนความรู้วิชาใช่ไหมเรียกว่าศาสตร์มันหลายศาสตรจะเกินทุกวันนี้นะมันยัดศาสตร์ไปจนจะนับไปไห ว, วแล้วล่ะ แต่ว่าศาสตร์อะไรก็ตามถ้าไม่มารวมพุทธศาสตร์เดี่ยววุ่นวายพุทธศาสตร์นี่เว้นจากอิจฉาแดียพยาบาลกันทั้งหมดละเอียบร้อยนิจตากรุณาพระนิ่งไม่มีทางที่จะไปแล้วไม่เห็นเจตัวเนี้นี่พุทธศาสตร์อิศาสตร์อื่นหรือมีความรู้ดีเหมือนกันถ้ามารวมพุทธศาสตร์เนี่ยมันดีหมดทุกศาสตร์เลยถ้าแยกออกจากพุทธศาสตร์ฉะนั้นคือความจริงนี้แล้วเป็นศาสตร์ทะลาะกันนั้งนั้น นี่มันเป็นใช่อย่างนั้นอาจะมาจนกว่าไอศาสตร์คือพุทธศาสตร์ที่มันครอบแล้วครับเออ่านอครั บ, รบ อ, อยากไปย้อนกลับไปนะฮถึงลุงพี่นะฮะอ่าที่พอสลุงพี่ไปถึงที่ปั๊บนะฮะปพ๊บอะไรเขานะแล้วเกิดขานน้นต้นใจแต่ราลุงพี่ตอนตองเองอที่ราว่าจไงกับเชี่วเยอว่างนนะ ไปตะปคุบ เ, เอาเลยว่างั้นเถอะนั่นเองครับผมไม่ไปเจอเอะไนะครับเรื่องไรถึงไปพั๊บปับใช่คือเรื่องนั่นทันไปเรื่องใสเ่เฉยในเรื่องแก้จริงมาทันทมาคนคว้าที่หลังนี่ยใช่ไหมมีศรัทธาก่อนเอ้ถ้ามีศรัทธาศรัทธาน่ะมันเชื่อไอ้ความเชื่อเฉยเฉยตรงนั้นก็ได้มาทําอย่างนี้แต่มาคนคว้ออีกการบวชปฏิบัติเกินมามันรู้เรื่องจริงจริงขึ้นมาทีหลังทับกัไปอีกทีนึงอ้แต่โดยแน่ใจตอนแรกอาจจะไม่สมบูรณ์ไหมครับใช่อย่างคนทำไมน่ะสีมันใสใสนึกว่า แต่เขาเรียกสามันขั้งแรกแล้วทิ้งมันผนลไม้ตัวนี้เป็นเหตุที่เราทานก็นไปได้คนเพราผลอื่นต่อไปอีกมันไในได้ความจริงอย่างนั้นอืใช่นี่เดียวว่าขั้งแรกเนี่ยเชื่อโดยศรัทธาอธิโ ม, มกไม่มีปัญญานี่ก็ได้แต่ว่าเมื่อท่านศึกษาแล้วปัญญาเกิดขึ้นมาเอเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาไม่มีทางหลีกเลี่ยงแล้วจำเป็นถ้ายอมก็ยอมรับเพราะมันเป็นอย่างนั้นนั่นเองเนี่ยศรัทธามันสองอย่างเี่ย ไปเห็นก็เชื่อเลยอย่มงนะอย่างนี้เอ่ต้องจับมาดูซะก่อเนเชื่อเลยอันนี้เป็นจริงมันมีสตา้าเฉยๆมีมีปัญญายังไม่รู้เรื่องความจริงมันอย่างผลใหม่นึกว่ามันจะหวานอมะอามาะานี่ยมันเปรี้ยวอา้าวหายใจแล้วทิ้งมันไปเอ่ต้องหาหาผลใหม่มาที่ไหนมันจะหวานไอมีปัญญาเกิดขึ้นมาซะก่อนจึงเห็นความจริงของมันอย่างนั้นเป็นสต้าขั้งที่สองทำาะไรมานั่งภาวน า, านาอะไรมาพิจารณาอะไร พี่ครอบพิจารณาดีแล้วมันไม่พ้นจากที่ไปสักทีความเชื่อครั้งที่สองเป็นไหมครับเอาไป<อ> ห, หมดนะนั่นผมจะพอจะอธิบายแล้วนอกจากาสมพีตองค์นี้มีคนสามชาติตามประเทศอื่นที่เข้าไปบวชมีมากครับเยอะๆไปเรยนบัณฑ์โพงบาทหลวงก็มาบวชที่นั่นเรนเนี่ยโอเคแล้วที่บวชจะบวชเปนพระ นะฮะ่เป็นพุทธเป็นพระพุทธนะฮะนอกจากประเทศไทยแล้วที่ไหนมีครับที<ะ>่นอกจากที่เมืองไทยแล้วคนบวชหรือคนที่จะมาบวชคนที่จะไปบวชได้ครับอบวชที่ไหนครั บ, บ<ว>นอกจากเมืองไทยแล้วได้ใครจะมีสถาบวชกะบวนได้จะบนเมืองไทยเถ้ะนะใช่ครับนอกจากจะเป็นพุทธที่เมืองไทยเป็นบวชเป็นพระที่เมืองไทยแล้วนะฮะที <k> ่ประเทศอื่นมีที่ไหนบ้างครับยังยังที่นี่ก็ได้ต่อไปได้เป็นผูดถึงพู้จึงที่ไปบวชในเมืองไทย จะฝึกไม่บวชมุนไชก็อ่านในบทอินเดียล้วที่ลังการืไงสถานที่บวชสถานที่บวชพูดถึงสถานที่บวชนาะศาสนาเนี่ยมันอยู่ทุกแห่งทุกขนนั่นแ่ละถ้าเรามีศรัทธาวาบวชเนี่ยคำที่วาบวชเป็นยงไงนะอย่างเมืองไทยเรานี่มันมีมันมีเทรวาสมีเทราสมาคมเป็นดอุฏตาาบวชจะต้องมีเสมานะถูกชีมาตั้งชีมาสร้างชีมาขึ้นบวชได้ตรงนี้ไม่มีชีมาจะบวชตรงไหนนี่ บวชในคาเดซาตก็ได้อ่าผมว่าคำถามผมไม่ไได้ไม่ได้ถามมาแล้วเอาไม้ยไงครับพี่อ่อย่างสมมติเรจะเรียนหนังสือนะมีมหาลัยดีๆอยู่สี่ห้าแงอ่านะอ่าคถามผมว่าทำไมถึงมาเลิกบวชทีเมืองไทยมากกว่าไ้เลิกบวชที่ลังกาเรือมากกว่าเลิกบวชที่พม่าอ่ออันนี้มันเรืองไอ้ไอ้เมืองไทยเราทำไมคนไทยถึงมากกว่าไอ้ฝลั่งอะ เขามาตั้งลูกลากที่นั่นก่อนนะพุทธศาสนาเนี่ผมไม่ได้หมายถึงเปรียบเทียบสิเปรียบเทียบสิหมายถึงความต่างเขาที่ไปบวชที่เมืองไทยใช่ความ่รู้เขาระอันนั้นเขาไปมีศรัทธาที่เมืองไทยเขาไปบวชเมืองไทยแต่ดูเรื่องทั้งสองมีได้ตรงนั้นเลยต้องมีคนที่กับมีที่เขาจะบวชอ่ะทำไมจะไม่มีเขาจะไปเมืองไทยมากเขไปสืบกับพระมากเขาไปบวชตรงนั้นมากไอ้คนหนึ่งไปคนสองเพื่อนเพื่อนพวกคนคหนึ่งมันมีกี่คนน่ะไอ้คนนั้นไปก็ไปเยี่ยมกันไปเยี่ยมมันก็หลายขึ้นมาอย่างนั้นเน่ย เหตุผลท่าเป็นอย่างนั้นครแลเออได้ยานต้นรากเหง้าที่สั่งสอนอบรมในการปฏิบัติธรรมศาสนกิกคือทางสริยสุนทรธรระฐาน น, าฐานุสธรมที่เโนนาการทั้งหลายที่<ๆ>ก็อยู่ที่โน่น<ๆ>อยู่ที่เมือนได้ไเข้าใจแล้วปัจจัยโยนถามว่าโยนถามว่าทําไมถึงบนบนเป็นคนคนไทยหลายคือเมืองไทยเราไม่รู้จักคนเป็นอะไรเลยนะคือคนไปเที่ยวเมืองไทยจุดแรกก็คือมีพักอคคนหนึ่ง าหาฝรังง่งในเมืองนอกเมืองได้ก็ช่างเหมืนเธอจะไปบวชตรงนั้นก็ได้ความเห็นชาติขึ้นมานะที่สองก็ไปไอเพื่อนต้องคนคนนี้มันมีกี่ร้อยคนนะก็ไปเยี่ยมกันบอกกันไปก็ไปเรื่อยเรื่อยนี่เรื ย, เรยไปอย่างวัดตัวพงครั้งแรกมีองค์เดียทันทุสมีธูงเดียวเนี่ยเดี๋ยวดีรักไม่ไหวเลยดีครับอ่หลายแต่ในรายมุทุกคนน ะ, อะ เ, อเออเรื่องเราบางทีมันมีศรัทธามีความเห็น มาคนขเขาได้มากบางคนก็มาปวดพระช้าพัน ช, า 5, ช, า 2, ชา้าสองคนช้าเสร็จแต่คงที่จะอยู่เลยมาเรียว่าเขาศึกษาต่างคนเมืองไทยเราศึกษาพุทธศาสนานี้อย่างท่านว่านะอย่างจะมาไปว่านะต้นไม้มันหลายร้อยปีมาแล้วนะลูกมันต่อไม่ค่อยมากไปขั้วเกลือจจริงที่มันตายเนี่ยมันทังตรงให้เรากวดมันครับอย่างเมืองไทยเราเหมือนกันบวดเดี๋ยวนี้ สิบห้าวันเจ็ดวันเท่านั้นหลไม่รู้เรื่องอะไ ร, ๆๆรกก็็เาว่านวปนพิธีนั่นแหละวอดเป็นฟิทีอันนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนีมอาจจะมาให้ให้ให้อยู่เนี่ยอย่างน้อยบวองอยู่ห้าคนสานอยู่ด้วยที่จะวอดเป็นหน้ากันเป็นต้นเนี่ยตันน้งค น, นสารหนึ่งหรือสองคนสารประมาณใหขนักกว่าคนเมืองไทยมันจึงเห็นชัดแต่ผมว่าถ้าเผือหลวงพ่อพูดว่า อ่าทุกคนบนวชสี่สี่สบห้าวันครัสบสมมุติว่าทุกคนใครทุกคนจะบวชสี่ห้าพรรษาลองเราไม่ลองทำไรกันเลยไปพุทธพาทันหมดถูกไหมครับมันวดไม่ได้วมดไม่ได้รไครับวดไม่ได้ น, นั่นสมมุติแต่วันบบที่เป็นไปไม่ได้ครับแล้วก็เป็นไปได้เจ็ดวันคนสามเดือนเป็นเปนไม่ได้ถ้าเบอรทุกคนบวชไปได้คนละสี่ห้าพรรษาหมดก็ทําไม กลัจะมมีคนทำงานให้ประเทศชาติใช่ไหมครับครับผมมองอย่างนั้นมมีคนทำงานิโอ๊ยอย่าไปกลัวเรื่องอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวนี่ไอ้สเดือนมันกลัวดินจะหมดยิงเนี่ยมันขี้กันงไตรงบอลเราจะไปคิดอย่างนั้นที่เออมันคิดแบบนั้นน่ะแบบต้องไปกัดไสเดือนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอันนี้คือสมมติมาประจัดบทจะอ้ความจริงมันเป็นแบบไม่ได้อย่างนั้น ยังอาจจะมาที่สั่งสอในโยมเชื่ออาจจะมาไม่ต้องไม่กำ ม, มาบวชหรอกคนผลสุดๆก็ย้อมไปย้อนไปหาได้เทไรก็เอาเทานั้นแต่เมื่อเหตุผลอาจจะมามีว่าถ้าบวชเจ็ดวันชิ้นผาวันทุกคนจะเป็นไงยังไอมันจะดีไหมใครจะมาสอนสินธรร ม, มกันอีกอย่างนี้อมันข้คนได้แง่ที่มันเป็นไปไม่ได้จะบวชเจ็ดวันชิ้นาวันทุกคนไม่ได้ไดต้องบวชตลอดตายก็มีห้าปีหกปีก็มี หวันเจ็ดวันไยมันเป็นเรื่องของธรมรมดายอย่างนั้นคนวามคิดเี่นนั้นเป็นความคิดของใส่เดือนจำไว้มันเป็นอย่างนั้นที่ก่อนอาจจะมาครามากรุงรันดอนเดินมาเมืองนอกข้างหนึ่งเนี่ยถูกกบวีดีซีเขาเนี่ยใส่สัมภาษณ์จะได้ออกหนังเนี่ยใช้หนังวนนสารพัอย่างนะสัมภาษณ์ได้ก็พอใจเ นั้นมาก็มีพวกฝาพระดังเข้ามาปวดเรื่อยๆตลอดมาแต่ความเปจริงคือเรียกว่าเขายัางไม่เคยเห็นการทําอย่างนี้เขาก็อยากจะไปดูไปทํากันไปดูไปทําแต่มันก็แปลกอย่างนี้ไม่ใช่ได้ว่าทุกคนนะไม่ใช่ได้หมดทุกคนไม่ใช่ได้หมดทุกคนมันเป็นไปนศาศาศานนอย่างนั้นเรื่<ม>องศาสนาเนี่ยอย่างนั้นดิผมผมมีความสนใจนะแต่ ผมว่าอรัทาผมอาจจะไม่แรงเหมือนอเออได้น่ะวันในนั้นก่ดศรัาอย่ามาไหวในนี้เลยเอรัทธ า, นมามีนะใช่แล้วผมพยายามใช้ชีวิตที่ว่าในทางที่สูงนะฮะหรืออาจจะติดบ้านหลังไหนนะครับ <S <s <ans> <S ไม่เป็นไรนมันติดถูกมันสลับกันไปแหล ะ, ะมันมีหวานอย่างเดียวไม่อร่อยหรอกเปรี้ยวอย่างเดียวไม่อร่อยหรอกไม่มีเปรี้ยวมีหวานสลับกันไปจะทาให้ให้สูเหมือนเหมือนหลวงพ่อ เรื่องี่นี่ผมว่าผมคง อ, อาจจะยังมีปัญญาไม่ถึงครับใช่ก็อยู่วันที่ใครจะเฝ้าว่านจะไปหมดละแล้วไปอยู่เฝ้าวา่านทักคนนี่จะไปหมดกันดิ ใช่ครับผมเข้าบ้านเอันนั้นไหนดีนะเจ้กขอดบ้านไหดีนะทาบ้านใหนสะอาดนะอย่าอยู่เฉยๆนะเข้าบ้านนะบ้านต้องอใช่ใทำามสะอาดาสะอาีลึ้มากนะคะเาดีวันนี้น่ตั้งใจมาแล้วเนี่ยไม่มีเวลานานเนี่ยจะแก้ความสงสัยรูปหลานเรงนีนะไอ้ปรึกษากันไม่ใช่ว่าสนทนาเรื่องใดแต่เรื่องพุทธศาสนานี้ก็เรื่องไอ้พวกเรามันอยู่กันนานแต่ว่าไม่พูดถึงโยม ผู้เป็นเจวันศาสนานเนี่ยมันตายโดยที่จะไม่เห็นอะไรเลย<อ>เฉพาะไม่ได้ศึกษาอย่างแท้จริงอ่าฉะนั้นอตาตมาก็จะรายงานให้ญาติโยมทราบซะหน่อยหนึ่งอตาตมาเนี่ไม่ได้เรียนอะไรหรอกเรียนเรื่องธรรมชาติเรื่อง จ, จิตใจบวชพระมาแล้วก็อยู่ไปไม่กี่พัรษาต่ออกป่าอ่ะตั้งแต่คราวท่านอาจารย์มั่นยังอยู่ขนาดถึงถึงเนี่ยศึกษาพุทธศาสนาเขาเป็นอายุกเก่าขวบเป็นเด็กมาเยอะนั้น ไม่รู้เขาไปอะไรกันเขไปเขาอยู่กันนะตอนอายุข้าวสารใช่เขาไปอยู่ก็เด่นเด่นต้องเจ้าพระสงฆ์คกขี่กันใช่ใช่เลยมันมีศรัทธาอย่างวานศรัทธาอย่างโยมว่านศรัทธาอยากเข้าไปอยู่วัดแต่ไม่รู้อยู่พอไม่รู้ว่าอะไรนี่มันเป็นอย่างนี้นี่ไม่ต้องสงสัยมนแล้วที่นี่คนเราถ้าเราไปศึกษาอยู่นะอย่างเช่นเราเนี่ยนะเราให้อาหารมันทุกวันทุกวันมันก็โตทุกวันเลยจนถึงทีมันถึงวัน เกิดมาทั้งแรกใหม่โตถึงนี่เราต้องให้อาหารมันทุกวันมันถึกโตมาบัดนี้เราก็าไปเสพสั่งสมในที่อะไรมันก็ค่อยๆเข้าใจกันมาเข้าใจกันมามันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ยัเยยงเด็กๆเราเกิดมาชอบเล่นอย่างหนึ่งโตมาขนาดนี้อยากเล่นอย่างเด็กมันเล่นไหมนะไม่อยากเล่นอย่างเด็กมันเล่นมันมีประโยชน์แต่เราจะพูดในเด็กบางเมื่อเช้ามันมีประโยชน์ไรือแม่มันเกลียดเราเลยนะ เห็นไหมเจ้านายทําไมเราเป็นเด็กก็ชอบอย่างนั้นทําไมมันเปลี่ยนนะพระาร์นี้ทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้คือธรรมชาติมันเรียนในเศษสูมันเรียนมันเป็นมาอย่างนี้อืมอการเรียนกับธรรมชาติของมันครับแต่ธรรมาโก้โอกาสให้โอกาสถามนะอย่าโยมเราหนิอืมอือไม่ได้เอาอะไรมาพูดให้ฟังเอาความจริงนมาพูดเลยฟังครับกับผมผมมีปัญหาถามมั้ามี เอย่าทั้งนั่งกรรมฐานนะฮะอย่างนั่งกรรมฐานแบบพวกี้นั่งยังไงกันอผมคิดว่าพวกเราหลายคนที่อยากอยากจะนั่งเหมือนกันใช่ใช่อแล้วผลยาท่านพูดถึงผลประโยชน์แล้วก็อทางในทางร่างกายและจิตใจอของการได้ได้นั่งกรรมฐานแล้ววิธีทําด้ไหมวิธีทําก็ได้ทายองจะทําได้ไหมได้เราจะมีใครขอให้ได้ทั้งนั้นก็จะมีคนเอาเท่านั้นแหะ ไม่ทำท่านทำไมท่าไปคิดอย่างนันครับผมจะยอมรับคนใช่ก็พูดใหคนฟังนี่จะทํายังไงอะเรื่องนี้เรื่องเรื่องฆ่าเนี่ยนะไม่ใช่มีอะไรโดยตรงเป็นอย่างอื่นนะเรื่องจะสั่งสอนตัวเจ้าของนั่นแหะสั่งสอนประชาชนทางไหนที่อุปการะตะมาสวรรค์ไม่มีเรื่องอื่นจะอาไปอะไรไปที่ไหนไม่มีนะเอาเฉพาะความเป็นอยู่โดยประสงค์เพาะตัวสงค์เพาะคนอื่นเท่านั้น เรื่องพุทธศาสนานี่นี่ยเรื่องศีล น, นะเรื่องศีลบทของมันนะเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเท่านี้สารูปง่ายเรื่องศีล น, นั่นนเรื่องทําเราทางไหนเป็นต้นไม่ให้มีความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งหมดนะ่ะหมายความไปอย่างนั้นอย่าไปว่าทําไมมันมทำไมมันมวุ่นวายอย่าไปว่าอย่างนั้นนะ อข้อที่สองความไม่บุบวายเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเน่ยความสงมบเกิดขึ้นมาคือสมาธิเมื่อความสงบเกิดขึ้นมาแล้วได้ดื่มความสมาธิด้วยความสะอาดมันจะมีปัญญาตัเกิด์อบเลยทีนี่มาพูดถึงการกระทำที่นี่มันกระทายากได้หน่อยนะอื ม, อมยากหน่อยแต่ว่ายากก็ไม่เป็นอะไรหรอกยากมันถูกของดีมัน มันต้องยากหน่อยมันจึงเป็นทุกข์ถ้าคนไม่ทุกข์มันไม่ลืมตาหรอกถ้ามันมีสุขหรือมันดับสนิทตรงนั้นเนี่ยขิดเหยียดไปเลยทุกข์ที่มันแทนกันมาเราดึงให้มีความคิดมากใครขยายตัวขึ้นมามากพวาเรามีความทุกข์มากนานและเออล้มันมีความทุกข์มากนี่ทุกข์มันเกิดมาเพราะอะไรจะต้องดูมันดีไม่ใช่ว่านั่งไหนมันหมดทุกข์เฉยๆน่ะหมัดนี้ ฉันหนักแล้วมันหนักเพราะอะไรเพราะยกแก้วนี้ขึ้นมามันถึงหนักถ้าปล่อยมันเฉยๆแก้วนี้มันไม่หนักไหม่จากจะไม่ปรากฏกับเราเพรเราไม่ไปสัมพันธ์กับมันมันก็ไม่หนักนี่เรื่องทุกข์ก็เป็นอย่างนั้นเราทํำไมมันถึงหนักเพรเรายกแก้วขึ้นมาทําไมมันถึงทุกข์เราปจับทุกข์มาไว้แต่เราไม่เข้าใจว่าทุกข์นะว่าทุกข์นั่นจะเป็นของประเสริฐว่าทุกข์นัจะเป็นของดีกให้วางก็วางไม่ได้ให้ปล่อยก็ปล่อยไม่ได้ ก็หนักเสียงเงิทุกข์กับทุกข์อย่างนั้นพระพุธรรทธเจ้าอาจารสอนให้รู้จักทุกข์ที่ไปยึดขึ้นมาเนี่หมายความว่าไปหมายมั่นมันเกินเกินไปไอ้ยกมันจนเกินไปไม่วางมันอย่างนั้นพระพุธรรทธเจ้าอาารสอนอะไรก็ ไ, ไม่ไดีจักท่านยังสอนหพยาเลยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เ้าอันนี้ไม่ใช่ของเราเทียงท่านไมอยู่กลางวันนะเทียงเป่วยจะแบกต่อให้มันนั่งมันนั่งอันนี้ทําให้นาคก็ไม่สบายนี่ นหนักจังลิ้นจังโลนนี่อันนั้นมันหนักก็พยายามเป็นตะโกยเอานี้น่ะคําที่ว่าท่านบอวางเงี้ยผมก็ไม่ทํามาหากินดอไม่ใช่อย่างนั้นอีกไม่ใช่ให้ทำมาหากินดีแหะให้ขยันขึ้นในทางที่ชอบไม่ใช่ให้เบียดข้านในขยันให้สะสมอันนี้แต่ว่าให้รู้จักวัตถุอันนี้วัตถุอันนี้ไม่ใช่อาหารสาหรับใสน่น้ามาดื่มอย่าไปดื่มตั้งแก้วนะถ้ารื่มตั้งแก้วมันเป็นทุกข์เข้าใจมนี่ นี่แต่ไม่ใช่ของเราแต่เอาไอ้ชารักษาไว้ให้ดีอือเพจะได้ใช่แต่ให้เข้าใจว่าไม่ใช่ของเรารักษามันได้เมื่อถึงคราวมันแตกจะตวองแตกไปออย่างนี้ให้ได้ใช่อันนี้อยู่ไงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ให้สัมพันธ์กันต้องให้สัมพันธ์ให้รู้จักอันนี้อยู่มันเป็นเรื่องีอ่พูดยากแต่คนยังมาสัมพันธ์ในเรื่องของเราในเปนมันป่นไปหมายมันจึงเกิดทะเลาะบ้อแวอองกันมาก็ร สิ่งที่มาใจของเราเล่เข้าใจแบบของเรานี้เองมันจึงทุกเกิดขึ้นมามันยึ่งเป็นของหนักอย่างนี้แต่เราให้รู้จักอย่างนี้อัน น, นี้จะต้องไปทีจารณาถึงจะได้งจะต้องไปวิจัยต้องไปเจรณาดูเหตุผลมันจริงๆอย่างนั้นกันจึงให้นั่งสมาธินั่งสมาธิเราเป็นั่งไอคนศึกษาทางโลกกันมาเฮ้ยฉันไปนั่งแล้ว ไปนั่งดับตาจะเห็นอะรรื้มตาเก็ยังไม่เห็นว่า <c oughs> มันว่าไปยังงั้นอีกซะแล้วเรามองดีงดวงตาบนใจเราเห็นไม่สายตาเด็เรานั่งดับตาถึงนมันเลี้ทางนี้ทางจิตเนี่ยเราเราไปเห็นขนาดนั้นไปนั่งไปนั่งไม่เกิดประโยชน์อะไรอเนี้ยพอเห็นว่านั่งไม่เกิดประโยชน์ไปนั่งทับเดียวสิคือไม่รู้จักเรื่องของมานไอความเป็นจริงอ่ะตาของคนเราเนี่ยตาของคนเรานี่ท่านแยกเป็นสองอย่างตาเนื้ออันหนึ่ง ตาปัญญาเ น, น้้จาตาปัญญาเห็นถึงความจริงควรโศกไม่โศกควรดินโดนไม่ดินโดนพรเห็นต่างความจริงมันเช่นมาแก้วใบนี้มันแตกแล้วเสียดายมันอย่างนี้นะอย่าเพิ่งดีฝังฟัน ก, ก็ตดมันแตกแม่มันแตกแล้วเสียใจเนี่ยเสียใจเพราะตาในคุณยังไม่มีา้าตาในตาในของ ค, คุณมีแก้วใบนี้มันจะดีอย่างนี้คุณจะเห็นมาแก้วใบนี้มันแตกแล้ว แล้วคุณที่ต้องใช้แก้วแตกทุกเวลาทุกวันนี ots, ่ยทั้งเกงผืนนี่ก็ใช่ตั้งเกงที่มันมันมันผุแล้วเชื่อนี่มันก็ผุอยู่แล้วเห็นชัดเดีวอย่างนี้แก้วใบนี้มันถึงเมยมันดีอยู่นี่ก็เห็นว่ามันแตกอยู่แล้วทําไมถึงจะเห็นว่ามันแตกอะไรก็เห็นที่มันไม่แตกอะไรที่มันบอกมันแตกมันมีอยู่นี่อย่างนี้ถ้าหากว่าเรารู้อย่างนี้ทุกอย่างแก้วใบนี้เราใช้ไปโดยทางที่มีปัญญาเราใช้ไปมันจะแตกมันหรือมันแตกกว้างกวาไปบป่ามันเป็นอย่างนั้นเองของมันนะ ทุกไป่มีปัญหาไม่เกิดเพราะว่าเห็นมันเป็นอย่างนั้นแล้วนี่แม้ถึงหนักไปกว่า น, นั้นอีกอย่างคุณป่วยนะคือว่าดูตัวตนจริงๆอันนี้แบบนี้เสียดายถ้าคุณป่วยปุ๊บข้ามาถ้าเข้าโรงพยาบาลนะคุณยินได้ว่าโอ้ยหายๆตะเกิ้นตะคุนหายๆพระจะไม่ว่าอย่า ง, งานั้นถ้านีม่เห็นข้างเนี้แต่หายก็เอาไม่หา ย, าหายแต่เห็นอย่างนี้ เห็นทางที่ไม่ต้องทุกถ้ามันหายก็ให้มันไม่หายไปถ้าหายไปมันหายไปถ้าเราอยากเห็มันหายอย่างเดียวสาเหตุที่มันไม่หายมีก็ลองให้เท่านั้นแน่ไหไรมคือเหตุมันยังเหลืออยู่อย่างนั้น่เชื่อมันยังมีอยู่นี่ธรรมะแต่สอนไปทางหนน้นท่านหมายถึงว่าเบื่อว่าถ้าเบื่อเราจะทําอะไร้ะเบื่อเราทำมาดีได้ถุดแล้วมันเกิดแค่นี้ก็ให้พอใจแค่นั้นได้ไหมครับอใชม ก็มันสูดได้จะทําไงอยู่อันนี้เธอสรุปแล้วไหมครับวาเมื่อมีการเกิดก็จะมีการตายมันเป็นอย่างนั้นของมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วที่เราทุกอย่างนี่นะเพราะอะไรนะอย่างคุณสองคนนี่นาะเดินไปไปเห็นสัตว์สองอย่างเปรียบเทียบนะธรรมาต้องเปรียบเทียบนะไอ้ตัวหนึ่งเป็นเป็ดตัวหนึ่งเป็นไก่นะคุณสองคนนี่จะเห็นไหมไอ้เป็ดทําไมไม่เหมือนกับไก่มันน่าจะเหมือนกันไก่กับเป็ดเนี่ย คิดเรื่อยไปไกลมันเหมือนกันอย่างนั้นยิงนอนไปคิดอย่างนั้นนอนไปเดินไปคิดอย่างนั้นคิดอย่างให้ไกลเหมือนกระปิดคิดอย่างให้ปิเดเหมือนกับไก่คุณจะทุกข์จนตลอดเวลาเลยถ้าคนนี้เดิ น, รนกระไปพุณเออเรื่องเป็ดกัก น, น, นมนันเป็นอย่างนั้นเรื่องไกลก็มันเป็นอย่างนั้นของมันมันเป็นอย่างนั้นแล้วปัญหาก็ไม่มีนะวันหามันสมบูอย่างนั้นไม่ได้ปูกไว้นี่คือเห็นต่อความเป็นจริงมันอย่าง นี่ยใชท่านครับไอ้ไอ้ข้อนี้ครับผมยังยังไม่เข้าใจเลยทีเดียวไมันเข้าใจตามเข้าใพุทธศาสนาว่าเห็นไปสากเข้าทีเห็นนะะอย่ามั่นใจนะสิ่ที่เกิดขึ้นอย่างนี้ทีผมยังเข้าใจเิงให้เข้าใจถูกดียังงั้นใข้ก็ต้องกินยาไปก่อนสิหรืจะไปกินยาเลยเไปก่อนนี่เรื่องโรคมันจะเป็นอย่างนั้นมันใข้ก็ต้องกินยาไปก่อนอย่าเพิ่งกินยามันหายทุกคนอย่าเพิ่งเข้าใจขนาดนั้น บางคนหายบางคนไม่หายอยังต้องเข้าใจไปแบบนี้อันนั้นมันเรื่องหลักของธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ให้ตัดอกับกังนั้นอืไม่ให้ตัด อ, อกอย่างนั้นทีนี้ไอ้ไอ้บ้านเมืองเราไอ้ทาไมมันไม่คอยปรับปรุงกันเงนี้ยจะไปปรับปรุงมันทาําไมเหงียยครับแล้วเมื่อเราเกิดมาอีกสี่สิบปีแล้วมาตายไปเรื่อ ง, อ ง, ออองาายๆไรอืุาจิดไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราเข้าไปในพุทธศาสนาความคิดเช่นนี้ไม่มี คนขยันถึงแก่ขนาดไหนเป็นต้นก็ยังกวาดบ้านให้ดีทั้งนั้นเนี่ยเป็นเป็นนิสัยลุกเศรษฐีคนเศรษฐีแล้วยังรักษาแรงมั่นคงไม่เหมือนคนขี้เกียจคนขี้เกียจคนทุกขี้เกียจอย่างนี้คนที่เคยขยันมันเป็นสันดานอยู่แล้วนะยังไงก็ต้องขยันจนแก่ต้องระมัดระวังอยู่แบบนี้เป็นเป็นสันดานอย่างนั้นถ้าเรื่อ ง, องพุทธศาสนาได้ไม่ใช่ของเราอย่างนั้นไม่ใจของเราอย่างนั้นน่ะ ไม่ต้องทำอะไรมันท่า น, นี้ไม่ใช่เรื่องความคิดของพุทธศาสนานั่นก็คิดไปน็นแขนงนึ่งอ๋อไม่ไม่ใช่ไม่ใ ช, ไไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าให้หาให้มันมากจะได้แต่อย่าเราจะให้มันทุกข์กับอันนี้เห็นมอ่าอย่าให้มันทุกข์อย่าให้อนี่เป็นพาพาให้เราทุกข์แตให้เราใช้อันนี้อยู่แต่อย่าให้อันนี้พาเราทุกข์อย่าเป็นธาตุของสิ่งนี้เราหามันมากก็เป็นธาตุมันพอแรงแล้ว มันจะแตกไปก ok so <un iper pesos> ็ยังทุกข์กับมันอยู่อ okay. ีก uh นี่จะเอาดีเมื่อไหร่เราเราออนี่เรื่องจิตนะเรื่องจิตนะให้คุณแยกมก็เป็นเรื่องจิตนะโอเคอ้ครับไอที่นี่ผมผมได้อ่านบทความของเพิษอานทีกุนะอ้่าให้นึกว่าิดมากว่ายาเป็นของกูเออเอท่านพูดแบบนัเระกูของกูเล้ อยยึดบั่นในนั่นนะท่า<ช>นหมายความว่าไหนคะรับท่านคุณท่านนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละที่ท่านอธิบายผมใช่ี่คือกูนั่นมันไม่มีไม่ใช่มันจะของนี่ไม่ใช่ของเราตัวเรานี่มันตัวไม่มีกูนี่ท่านหมายถึงเรายึดตังถือว่าของนี้มันเป็นทางให้เราเกิดคุกข์ถ้าหากว่ามันมีกูนะมันมีโดยฐานที่สมมติ เดี๋ยวนี้ค <acab. S 1> ยังพูดไม่เข้าใจกันคนหนึงพูดไปข้างล่างคนหนึ่งพูดไปข้า ง, นน ง, งบนมันเรื่องคิดเรื่องความจริงจริงจริงจริงกับเรื่องธรรมดานี่มันพูดยากที่จะเข้าใจกันอันนี้มันเป็นภาษาคนอันนึาา่เป็นเด็กภาษาธรรมะแต่มันมันไปตรงที่ภาษาความจริงเนี่ยจริงๆงถ้าเข้าใจแล้วมันเป็นอย่างนั้นเป็นมันมันมันเป็นอย่างนั้นครับอันนี้ต้องต้องอย่างน้อยท่านจะต้อง ไปนั่งดูให้จิตให้มันสงบถ้าจะใด้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาถ้าหากว่าไม่เห็นด้วยตนเองอย่างนี้เทียงกันไม่มีอยู่เลยเทียงกันไม่มีอยู่อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันมันมันมันมันไม่เห็นแน่คุณโอตรงนั้นไอความเปจริงตรงนั้นแหละมันเป็นความจริงอย่แล้วแต่เราไม่เห็นความจริงมันมันก็ยกอะไะมามาพูดกันไม่เข้ากันพูดอันเดียวกันไม่เข้ากันใช่เพราะว่านี่ศาสนของโลกใช่คือคือผมพองจะเข้าใจแลครับเออ ก็เราต้องไปหาพยายามหาเงินมาซื้อแก้วเพื่อไว้ใช้แต่เราไม่ได้เป็นทาสของแก้วเพรา ะ, ะว่าเราเชื่อแต่เมื่อรู้ว่าแก้วแตกแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ซื้ อ, อเราไม่ต้องไปหามาเพื่อใช้ะจะให้รู้ไปนี่อีกต่อไปให้รู้จังน่้นอีกต่อไปไม่ใช่ว่ามาให้แก้วมีออที่เรียกว่าของเรานี่ให้พูดเสมอว่าของเราแต่ว่า เมื่อโดยทันที่สมมติจงเป็นเราเกิดมานี่ชื่อไป่ตรงกันทุกคนท่านครับสมมติว่าโอเคเราเกิดมาะไม่กี่ีนะอยู่ชีวิตไม่นานแต่เรื่องไรเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายแต่เรื่องไรเรามามัวเสียเวลาทมาหากินสร้างจัตุรัสไปให้ใครครับไหนก็นั่นที่ท่านว่านี่สร้างก็ยังให้มันทุกข์ดีกันไหมทุกข์เท่านั้นอยากสร้างหรือยังให้ทุกข์ก็ไม่ต้องสร้างไให้ใครเออไม่ให้ใครทั้งนั้นนี่สร้างไะไรใคร คุทุกคนสร้าง ใ, ใครมี้ไหมตัวเราอยู่ใช่แต่พูดตามความจริงเนี่ยสมมติเราคิดแบบนั้นนะอ่านั่นหรอแต่ไม่นมีบนจะเลยวันทุกคนมนัดเมื่อเราต้องจัดจากของรักไปอะไรอย่านี้เผื่อเราคิดแบบนั้นแล้วเราจะสร้างสร้างอะประเทศชาติจได้ไงครับเผื่อเราเราคิดว่าไม่ใช่ของเราเราสร้างไหมสร้างมาทำไมเพื่อไม่กี่ปีเราก็ตายแล้วนั่นนี่ใครสร้างใครจะคนสร้าง ใครเป็นคนสร้างเนี่ยคนสร้างได้อะไรไม่ดิที่นี้พระพุทธเจ้าองค์ท่านไม่สอนอย่างนั้นน่ะท่านไม่สอนเนีเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างนั้นแก่ใบนี้มีตะตังแล้วก็ซื้อได้หลายถเถื่อนมาใจคนได้ใบแต่ใบแต่ใ บ, าาบาดื่มน้ำมาได้ไม่ใช่วใบไม่ให้มีไม่ใช่มาหาเข้าไปทําไมมีมากก็ได้แต่เราอย่างมันเป็นทุกข์ให้รู้จักทุกแก้วทุกใบทุกใบแต่นั้นครับนั้นผมขอขอธิบาอ เราสร้างได้พยายามสร้างเอหมายจะคิดว่ า, าต้องกระจายสิ่งทเราจะสร้างสร้างในสิ่งที่ให้สูกทางเมื่อไรครับได้ได้คือเรื่องถูกทางไม่ถูกทางนั้นนะถึงแม้คุณจะเอาเงินทองของคุณมาทุ่มเทสร้างขึ้นก็ถูกทางของคุณน่ะนะแต่ว่าเมื่อว่านมันจะพังเมื่อไหร่นั่นน่ะมันก็นย่อเป็นของคุณนะ มันจะทุกข์อีกมันจะลา บ, บากอีกถ้าไฟมาไหม้ใครลำ บ, บากให้รู้ไว้อย่างนี้ถ้าเราจะสร้างจะได้ออืถ้าเราจะสร้างจะได้ถึงถึงถึงจะคุณมาให้เป็นของคุณกว่าิงแซี่ยวอ่ะผลสุดแล้วมันก็ไม่เป็นอยู่แล้วท่านบอกไปก่อนใช่ไหมมันไม่ใช่ของคุณถ้าหากเอาไว้มันเป็นของคุณอย่างแน่นอนคุณจะยิ่ง เ, เป็นบ้าห ล, ลงไปคนนี้อีกขนาดฉันว่ะอันนี้ไม่ใช่ของคุณนะระวังนะมันเป็นสมบัติอย่างนี้ขนาดนี้มันยังตะกลายจะเป็นหุบใหญ่มาก ไม่ใช่แต่นั้นยังทะเลาะกันอีกยังป้นกันอีกนะยังเลาะกันอีกนะันะของไม่ใช่ของใครสักคนกันเนละยเท่านั้นนะให้มันเบาทุกขลงไปเท่านั้นออืออให้รูจักรวางในทางพุทธศาสนานเป็นอย่างนั้นไม่ไปถูกความท่านนะท่านทำไมบังคับให้ ส, สร้างนะพระพุทธเจ้าใครบังคับให้เราสร้างตรงนี้บ้านเรานี่นะแต่ความอยากเดียมันเกิดขึ้นตรงนี้เอง ในความอยากนี่ครับที่ผมสงสัยว่ามัเ น, เ ป, นเป็นความดีและความเลวกับที่เรามีความอยากัจำนัง ม, มันเป็นความถ้าเรามีปัญญา น, นั่นมันความอยากกัมันก็ดีถ้าเราโง่เนี่ยมีความอยากกันมันก็ไม่ดีคนรวยมันดีหรือเปล่าก็คนจนอะไรมันดีกว่ากันเนาะจะถามคุณยั ง, งไงครับคนรวยก็คนจนใครดีกว่ากันต้นองถามว่าดีแบบไหนแล้วแบบไหนแต่แบบมันดีนะดะ ดีถึงจีตสุดมันล่ะเอาดีอะไรก็เอาครับคนดีแล้วคนรวยดีกันน ะ, ะคนจนแล้วคนรวยอคนจนแล้วคนรวยผะว่าคนดีทั้นนงสองทั้งสองทั้งสองฝ่ายคนรวยเคยมีทุกข์ไหมทั้งสองฝ่ายมีทุกข์นแน่นั่นแหละมันก็ตกลอกันอย่างนั้นไหนะนะแต่ผมว่าไอ้คำว่ า, าดีากันนี่มั น, มนไม่มีใครดีอะไรโลกใช่นี่มันตกลอกันอย่างนั้นดีพดพูดถึงที่สุดมันถ้าไปดูบ้านถ้าถ้าคนนีบ้านนั่งใหญ่กว่าบ้าน คุณแหละดีอืใหญ่กว่าเขาตั้งแต่มันพังก็พังใหญ่นะเพราน้ำท่วมก็ท่วมหลังใหญ่นะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นบุรีกรรมอย่างนั้นให้เราเข้าใจอย่างนั้นอเรื่องเหล่านี้นนผมไม่ได้ใจผมเข้าใจหรือเปล่ทีนี้ทีนี้ทีนี้ในในเวลานี้ยังไม่เข้าใจให้ได้ยินไว้ครับคุณก็ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเนี้ให้ได้ยินไว้เถอะแต่ว่าที่พูดได้ฟังอย่าเชื่อ อย่าไม่เชื่อให้ฟังไปฟังองไม่เฉยฟังไว้รู้เรื่เหตุการณ์ที่มันตีเป็นไปยังไงคุณจาลึกอยู่เสมอว่าดีด้วยมันเป็นยังไงสังเกตดีด้ดีด้วยดีด้วยไปนี่ยมันเป็นเช่นนั้นเราจะเห็นว่าจริงคือแม้มันขามันมากมันจะวิ่งเร็วนะไก่มันสองขามันวิ่งช้าครับน่าจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะแต่จับตัวตัวตเขาที่แข่งกันในจริงคือสู้ไหวไหมเนี่ย มันจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เนี <Yeah. S 1> <Yeah. S 1> ่ยเด็กขามันมากมันเจะกะเฉยเฉยตัวมีเนื้อเ <c oughs> นื้อไอคิดทบวนไปมาเป็นต้องไปภาวนาให้เป็นทางจิกตก่อน <c oughs> อันนี้อันนี้ไอนนคุณจะเสริมออกมามันเป็นทางนอกอันนี้ไงทางในอันนี้พูดเสริมเหมือนกันนี่มันฟังยากเฉยเลยในในในในที่ว่าอย่างนี้อาจามาจะบอกให้ง่ายๆว่าถ้าความสงสัยอย่างนี้มีอยู่นะถ้าคุณจะไปเที่ยวขาม่หายความสงสัยนั้นตายก็ไม่หาย คุณจะไม่บด น, นึงนะ <c oughs> นะถ้าหากว่าคุณจะห้สงสัยหร่อคุณจะนั่งสมาธิวิตกสงบหรืออะไรนึงเนี่รลูกเป็นมา่องนั่นแหละแล้วหลวงพ่อจะแนะนำวิธีนั่งสมาธิได้ได้ได้ได้ครับนะสมาธินี่นะสมาธินี่เป็นเรื่องของทำ <c oughs> ทำยากได้หน่อยนึงก็เพราะว่ามัน มันมันเป็นของที่ไม่เคยหยุดมาตั้งแต่เรา เ, เล็กๆมาจิตใจของเราเนี่ยจิตใจเรายิ่งไม่มีกำลังยิ่งมีความรู้มากคิดมากไม่มีกำลังถ้ากายมันมีกำลังต้องวิ่งออกกำลังกายมีกำลังจิตต้องให้หยุดพักนิ่งจิตเป็นอ e ันเดียวซะก่อนจิตมีกำลังเป็นแบบนี้ทีนี้เราจะมาทาจิตนี่ให้มันหยุดนิ่งเป็นอารมณ์เดียวนี่สัก ชัมงหนึ่งด้วยห้านาทีสามนาทีก็ยังดีนะจะรู้สึกว่าจิตนี่มันจะมีปัญญาเกิดขึ้นมาได้ที่นี่มันจะลาบากที่เรามานั่งนั่งสมาธิเงียบๆเป็นนั่งอยู่ก็ได้นะลับตาลงสันิดหนึงนั่งให้ทำความปล่อยวางทั้งหมดไม่ต้องึกคิดอะไรมากปล่อยเวลานี่ปล่อยให้มันมีความรู้สึกรมมันออกจะกรรมมันเข้า ลมมันออกหายรู้ตามลมเท่านี้ไม่ต้องไปทําอะไรมากมันจะรู้อะไรมันเจนนี่มันยากที่วุ่นวายเลยแล้วสมมติตอนนี้นั่งเน่ะผู้ที่ไอ้ไอ้อเรื่องคือมันเข้าในกิมเรื่องอะไรไอเรื่องที่ผ่านมาเรื่อเรื่องอะไรแบบนี้ในชีวิตหอือเรื่องที่เราเกิดไปทะเลาะใครคนนึงนั่นละนั่นละน่นลเรื่องทรมานมันนั่นอุบสิมันรู้เอาตรงนห้กับตรงนั้นดิแต่ไอนไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ ตอที่เรานั่งสมุดนั่งนะ ไ, ไอ้กิดอย่างเงยมันเข้ามาคิดอะไรออไอ้ไอเรื่องอื่นเข้ามานี่มั น, นะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะที่มันไอ้ไอที่จะเราจะตับโดยจแต่ตับให้มันใหญ่แบบใจไม่ใช่เอาเดียวนี่นะนานนะ น, นี่มีชีวิตดึงได้ก็ยังดีนะนี่พูดดีนะไม่ใช่ามาง่ายขนาดนั่นนะตรงไหนรู้มันเรื่องอะไรก็ผมไปว่านะครับเพราะมันไอ้ที่นั่งโดยไม่ให้มีอะไรเก็ดเข้ามาให้ว่างทีนี้ผมว่ามันอใช่ เข้าใจหลวงพ่อปใจอย่างนั้นนะเช่นว่าคุณนั่งเสียงดนตรีเขาเล่นเนี่ยคุณต้องการความสงบใช่ไหมคุณยังไงนะเได้ยินนะได้ยินนะคุณจะรึตัวยังไงคิดว่าเสียงมาวรเรานั่นเดผมผมไม่นึกนึกยังไงจะสบายไหมจะสงบสงบไหมผมผสงบเสียงก็เสียงมีอฮะได้ยาง้นจริงเดออันนี้ด้เป็นคำพูดเฉยๆนี่ไม่บางทีได้ยังจริงแต่บางทีถ้าเผิดอยู่ในอารมณ์ที่มันไม่ถูกอารมณ์อย่างนี้มันเนี่ยมันก็รบกวเหมือนกันครับนานนะมันรบกวน นี่บรบกวนไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นบรบกวนเราเราไปบรบกวนเขาเนินเข้าใจไหมก็ถูกแล้วครับเนินแหละเออเนี่ยคุณต้องเข้าใจใหม่คนจะพูดตรงๆ อ, อยู่คุณจะมาแหนะนั่งสมาธิไม่ได้คนมาบรบกวนเสียงมาบรบกวนอย่างนี้พอ ค, คิดได้แต่มันไม่ถูกถ้าถูกแล้วเราเราไปบรบกวนเขาเขาไม่บรบกวนเรกถ้าคิดทางนี้กิบก็ะสุกเด็ดเด็ดหลวงพ่อยอมรับเปล่าว่าตอนหลวงพ่อนั่งสมาธิหลวงพ่อมี ไอเงอนกกน่น้า ม, แนแนมามแล้วคนมีใช่หครับมีผมก็สามไดนะีรัอมีมอแล้วเราก็ทำอะไรครับเวลาแต่รู้มันอันนี้ม่เป็นอะไรเนะียมันเป็นอรมเฉยๆแต่ไม่มีอะไรกับมันไม่มีความวุ่นวายกับมันแล้วเห็นไก่มันผ่านมันไก่มันผ่านเห็นสุนัขมันผ่านสุนัขมันผ่านอะไรไปอะไรมันผ่านก็ผ่านเรืย่ยไปไอนี่ก็ส่งเฉยกันนั้นพอรู้เรื่องของมันแล้วอย่างนี้กินตกอสงบ หลวงพ่อไว้บอกวิธีนั่งนครับนี่นั่งอย่างเดียวนี่นั่ง้นนั่งขึนมาทีน่นนั่งจะัดจะมาที่เอขางวาับายขวาับซ้ายมือขวาทมือซ้ายนี่นนนี่ันสิัเออดังใ้ตรงมือขวามือซ้ายเออตรงนะนั่นันฟันจีบคุกนั่นนะะอยทับซ้ายทับซ้ายนะและก็เราจะนึกว่าเวลานี้เราจะปล่อยวางทั้งหมดให้เหลือแต่จีบเีเดียว เรื่องการงานตุกสืบเรื่องลอยละเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ใช่ไมเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่ไม่จอมนั่งแก้ปัญหากับใครแล้วแบบเราจะปล่อยวางเออแล้วกำลังใจความรู้สึกกับลมอารมณ์เป็นเป็นหลักฐานลมออกคือว่าหายใจให้มันสบายนะอย่าไปบังคับไปมันยาวนะอย่าไปบังคับไปมันสั้นนะไปตามสบายของมันนะ ที่มีอาจจะมีอะไรมื่ผ่านขอช่างมันจะปล่อยวา ง, นะ น, งนั่งอย่างนี้มันจะเป็นยังไงไหมอย่าคิดคิดก็ไม่ส่งเสริมมันนั่งไปอย่างนี้มันจะเป็นยังไงมันมันจะเห็นอยาไปคิดไม่เอากั้นั้นเราไม่ต้องการอะไรแล้วต้องการรู้ลมเขาออกน <c oughs> ะนะ <c oughs> จนกว่าจะเรามีความสงบไปดรด่อยๆแล้วท่าน <c oughs> ต้องดับตาป่ะคบดับตานิดหนึ่งจะไปดับไ้บนภาง ไม่ต้องเพลงอะไรยังไงไม่ต้องเพลงอะไรดูนี่นี่นี่ดูรถเข้าออกนี่นะ <laughs> ่เอาชิดดิรูนอินเ่เน่ยไม่ต้องดูอะไรนั่นเลยเอาตามกำลังนะเอาตามกำลังนะเกิดอะไําึ้นมา น, น, น, นะำกำังไปมนนันสบายอยู่นะแลวนั่งวันละเกียรทิด้อครับเออเชอมีโอกาสอะ่าไหร่ก็เอาเชอรบางคนก็ไปนั่งอยู่ข้างวันมั่งตัไม่ได้ทางานอี ใช่แค่วุฒประโยชน์สิไอคนมีประโยชน์มากๆยิ่งเสียแล้วหนีิ <c oughs> นั่งมันเวลาเราจะนอนเดิยังไงเนี่ยซื้อเวลาเราพักผ่อนวันหยุดอย่างนี้เราหาโรงไม้ดีเป็นนั่งเดี๋ยวหลับเลยนะคับนะหลับตัวคนมันหมดแล้วนะคุณกีเกียจะมันดับเนี่ยเราพิเยนหนังสือเราเคยดับไหมมันตัวอย่างเดียวกันนั่นแหละเราเคยเขียนหนังสือทําบัญชีอะไรมันดับไหมเนี่ย มันจะรับยังไงมันเขียนอยู่จ่องมันรับมันก็พังเท่านั้นเนี่ยจิตนี่ก็วันกันเทนั้นเนมันก็แยกออกจากโลภเท่านั้นเนี่ยคนยังไม่ได้ทํานะสงสัยอาจะมายิ่งจะสงสัยมากกว่านี้ถ้าไม่ได้ทํานะเออทีนี้ต่อไปนี้เมื่อเมื่อโยอมในแต่จิตสงบเนี้ยไม่ต้องนั่งมากหรอกต่ออไปนั่งแค่ห้าเนียนั่งไปที่มันจะเก็บหัวัก็พนันแล้วก็เมื่อเมื่อคุณออกจากสมาธิ จะไปทํางานอะไรที่ไหนจะทําอะไรต่อตามจะยืนเดินนั่งนอนให้มีสติอยู่วัดทําอะไรอยู่ อ, อ, อย่าง น, นี้คิดอะไรอยู่เดย่างนี้ทำอะไรอยู่อนีนะ้คิดอะไรอยู่อย่างนี้นอะเอออันนี้มันเป็นที่เรียกว่าอ่าให้กําลังเราที่ไม่ไม่มีเวลานั่งนานก็จะทํางานอันนี่ว่ายืนก็ต้องทํางานนั่งก็ต้องทำงาน น, า น, นอนก็ต้องทำงานให้มันมีสติอย่างนี้อยู่เสมอเท่าที่เราทําได้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 สองอินเดียก็ใช่ไหมเพราะั้ก็ก็แบบให้ให้พูดถึงคำคำโดยที่คํำคำนี่ไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นเพ่ดทําให้จิตว่างไปโดยที่พูดถึงคําที่ไม่มีความหมายมันก็คล้ายๆกันเอืงนอกับของของพวกเราอันนั้นเราเราเราเราูรา่น่าไม่รู้ถึงแง่มุมของมันไม่ได้ไม่ไม่ ไ, ม ไ, ม ไ, ม ไ, มไมด้ถึงที่สุดเรายัางไม่รู้เรื่องของมันความเป็นจริงของว่าง แค่ค่ายว่าแก้วนี่นม่มครับต้องมองเห็นแก้วที่ของว่างถ้าไม่มีวัตถุมันจะมีว่างเลยว่างมันเกิดจากของที่มีอยู่แต่ท่านพูดว่ามันเป็นของว่าง อ, อ่าฮ่าฮ่า่ออมีแก้วนี่มันเป็นวัตถุท่านบอกว่ามันว่างาจิตของมันว่าง ต้อิตให้ว่างจิตจะเอาอะไรไปทำให้มันว่างมันว่างกันหมดแล้วเนี่ยมันตกยนจนมุมมัาที่มาว่างมันว่างในของที่มีอยู่ก่างในของที่ม่อยู่ยางไงนี่อันนี้อันนี้มันเป็นของสมมุติสมมติว่าหมายถึงว่างในสิ่งที่เราคิดอยู่หรือสิ่งที่นั่นอยู่มามาผ่านเราม่มากระทบกระทบเราทั้งวันให้ว่างจากสิ่งนั้นให้ว่างจริงจรงแต่อันนั้นมันมีอยู่นะ มีคือเรารู่เฉยๆคือมีมันไม่ยึดแต่ยึดมั่นถือมั่นมันมันรู้จักอยู่ถ้ามันในมีมันก็ไม่รู้มันรู้เพราะสิ่งที่มันมีแล้วก็มันว่างมีก็เพราะสิ่งที่มันไม่ว่างอ่ามันมันมันมันต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ยอ่ครับอืมันต้องเป็นอย่างนั้นไอ้ความไปเกี่ยงแก้วนี่ไม่มีนะแต่คุณมาสมมติคือสมมุติว่าอแก้วนั้นนี่ ไปสมุติมาจากอะไรเนี่ยสมุติว่าจากสิ่งที่มันไม่มีมาให้มันมีนี่ี่มันเป็นของสมุติไอ้ความเปิงแก้วมันก็ไม่ใช่ไม่มีอะไรขนาดนั้นมันเป็นธรรมธาตุขึ้นมาเฉยๆแ่านั้นแล้วก็ไปตั้งชื่อมันแล้วก็ไปยึดชื่อมันติดชื่อมันเอใครว่าแก้วก็ยึดแบบแก้วไอ้คนนี่นึกว่าถ้วยว่าถ้วยไอ้คนไปพบแก้วก็ถ้วยเนี่ยพูดคนใอย่างก็ทะเลาะกันเลยนะเนี่ย เพราะว่าอันนี้มันสมมติมันถึงต่างกันแต่ความสภาพของมันมันไม่มีอะไรทั้งนั้น่ะเราไปสมมติเดียมันเป็นแก้วเป็นกระโถนเป็นถ้วยขึ้นมาตามธรรมชาติมันนั่นไม่มีอะไรมันมีเมื่อเราสมมติขึ้นมานีอย่างตัวเราทุกคนมีชื่อมามื่อวันเกิดหรือเปล่านะใช่ไหมพอเกิดมาพุกพ้อเนี่ยนายคอในขอนี่มันมีขึ้นเดี๋ยวนี้มีมีประโยชน์ไหมชื่อนี่มีประโยชน์ไหมสมมติมีที่ให้คนรู้จักว่าชื่อนั้นชื่อนั้นถ้าเรียกว่าคนคนในการสมมติคนแต่งร้อยคนปันคนเรียกว่าคนคนใครจะมาล่ะ ก็มาทังพันคนร้อยคนอยเป็นประโยชน์อะไรนะ่ะมีจึงเรียกนายกร อ, องนายกร อ, องกัมีประโยชน์แค่นี้สมมติไม่ใช่ความมีประโยชน์ติดอีบีวุดมันก็มันก็พ้นจากนี้ไปคือมันไม่ดีอะไรตรงนี้ที่มีเรียวนี่ก็เดียกว่าสมมุติของเรานี้ก็มันของคนเขาแกียวไปไปชื่อมาเดี๋ยวนี้ถ้ามาหาพระนั้นไม่ใช่ของคุณตรง น, นี้คุณก็จะเถียงไม่ใช่ของผมผมชื่อมาเดี๋ยวนี้ชื่อกจริงชื่อมากกวไม่ใช่อ่าอย่างนี้มันว่างอย่างนี้ ลองการนั่งสมาี่นี่ังผลประโยชน์นี่ท่านยังไม่อธิบายผมว่ท่านเขาอยากใอธิบายอจมาเห็นว่ามันมันไม่ค่อยยากอะไรนะอ่าไอ้ผลมันเกิดมาจากขหตุกันเถอะถ้าเราทําแล้วผลมันจะเกิดคนเดีไม่ไม่อยากจะรู้ท่ารู้ไหเช่นผลไมมผลนี่เนาะจะทำให้เขาเข้าใจอย่างเดียวกว่าให้เข้าใจหมดนะอจมาไม่เคยมาเหมืนอก์นะ ไม่รู้ว่าผลอะไรนะก็ไม่ทานแม่อร่อยดีนะมันหวานมันหอมรู้จักหมดแต่อัตมาก็ชื่อผลอะไรเนี่ยอัตมาก็ไม่สําคัญมากไม่ต้องถามหาหนั้นเลยรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ถ้าถามีคนขอบคุณมาบอกว่าผลนี่ชื่อนั่นก็รับฟังนะถ้าไม่มีใครบอกก็ช่างมันใหแอตมาได้ทันผลไมกก่จะดีดีกว่าแล้วนะเท่านั้นนียถ้าก็อันนี้ผลอันนั้นมันไม่เพิ่มความหวานสนิบอ่ะเห็นไหม มันไม่เพิ่มความมา เ, เรศลอยขึ้นอีกหรอกนี่เข้าใจอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยสนใจอะไรทั้ในั้ควรรู้กับรู้เป็นคนรู้ต น, นเกิดคือเกิ ด, กดเกินทำอะไรนี่ ก, กินตองคุณจะเหยียร์เยียนคุณจะมีสติดปัญหาได้กเกิดขึ้นมาพวกเป็นชนคุณจะพยายากตัดออกหนนะ้าใหมเป็นทุกอย่างเนรู้ต่าแล้วจะว่าอะไรเป็นอะไรออนั่นนะมันจะเป็นอย่างนั้น อ, อืจะจะจะต้องเป็นอย่างนั้นให้ค่อยๆชันเฉียดไปอย่าเร็วนะนี่น่ากลัวจะร้อนเกินไป ใหม่ร่อนนะร้อนไป่พบนะร่างหนึงร้อนใหญ่นะผมพยายามนั่งมาตั้งสามสี่ทไแล้วไวางซะคือคืออย่าไปเอาอะไรเลยนั่งนั่งการํำเพียนนั่งเพราะการปล่อยวางไม่ใช่ว่าจะเอาอย่างนั้นเนรอครับได้กอะไรครับเพื่อเพื่อไอความเพื่อไอพักผ่อนเพื่อสงบไห้หลกจิตสงบกันก็สงบก็ฟังข้างก็ฟังข้างก็ไม่เรื่องไป่ัช่นั่นแหละ มันก็แล้วแต่ประเด็นในสังคมแความคิดของเจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรี่อยก็ให้ปุ๋ยสูงให้หารูจะเปลี่ยนไั้เิไปเร่เออแต่สุ้ายปัญหสั้วที่สุอ่ะฮะสุดขั้งหนเนี่ยงไม่รูมาเรยนวงพ่อกงมาไม่ไม่ไมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวดีเจ้าคะ แล้วมีคำถามมีคำถามเมนึ่งด้ว่าเรื่องการนั่งกรรมฐานเนี่ยนะคะซึ่งหนูก็เคยทดลองอและหนูเดินไปที่วัดก็มีท่านอาจารย์หลวงพ่อที่วัดนะครับได้ส อ, หอนหนูจำว่าวิธีนั่งกรรมฐานเนี่ยให้เรานั่งแบบที่หลวงพ่อได้สอนเมือ่อกี้ไหมคะแล้วให้กินจิตที่ทลมหายใจเข้าออกแในระหว่างที่ลมหายใจเข้าออกเนี่ยหลวงพ่อคิดว่าจะเป็นการดีหรือว่า สําคัญหรือไม่ที่เราจะใช้คาพูดคือว่าหายใจเข้าพุธหายใจออกเทพุธโธตลอดเวลาหรือว่าเราจะเร้งสุดที่สายลมหายใจมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้เราต้องทําผ่านไปด้วูมจักที่เราไปห้พุธโทพุธโธมันทํางานยากเราฝึกมาตั้งแตให้ว่าพุธโธพุธโธน่าไปแต่คนนั่งพุธโธพุธโธที่เมื่อจิตเดนมันละเอียดนะหาพุธโธมันเป็นของยากใชแล้ว ทำมาโมลเพ่งว่าพุทโธมันจับจะรำคาญเกิดความสงสัยนี่นไม่เราจะไม่ว่ามันไม่ได้ไหมน้อไอ้พุทโธนี่คือตัวผูรู้นั่นเองนี่ยไม่ต้องว่าพุทโธก็ได้แต่มันรู้ไหมว่าเข้าออกอะไมันนั่นความรู้นั่นเรียกว่าพุทโธไอ้ตัวพุทโธนี่คือคำพูดที่เรารู้มันลมเข้าออกยทุกขณะนั้นแหละม่เป็นตัวพุทโธอย่างแท้จริงแต่เมื่อในระยะมันไปเปลี่ยนกันซะสงสัยท่านอาจารย์บอกให้ว่าพุทโธพุทโธ เราก็ไม่ว่าพุทโธมันลงมันก็ออกอยู่มันจะเป็นตัวสงสัยเองอันนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วไม่ต้องพูดว่าพุทโธมันก็รู้อยู่แล้วอความรู้นั้นนเรียกว่าพุทโธความรู้สึกว่าพุทโธนั้เรียกว่าพุทโธอยู่แล้วมันเปลี่ยนแค่นี้เข้าใจจริงก็กพอเนี่ยเอามาวางบตัวนี้แค่เดียไม่ต้องนั่งรถจะไปัวงนี้ก็ได้แค่รู้ว่ามันออกคือมันเข้าออทานั้นแหละนิ่งอยู่ตรงนี้ คนที่สุดมีเห็นจิตอยูที่นี่เห็นดมอยู่ที่นี่เ ห, นนเห็นสติอยู่ที่นี่เห็นความรู้อยู่ในพร้อมกับควอมสงบจริงทงรรั้งหลายแล่านี้สงบลงไปเลยจิตก็เป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ทีนี้ออกจากนี่ไปเราจะก่อนนึ่งสมาธินี่ควรทพิจะนาตังณฑ์วิสระลงไปหายไปเท่าส่วนนี้หมดพี่จะนากายกายตะก้อนเป็นกาย ถ้พิจารณาของในกายนีมีอะไรอีกบ้างไหมถูกครั้งอันนี้จะส่งเสริมว่ามันจะเห็นกายาคนคนเราต้องมีอะไรมากมายนั่นนี่เนี่ยมันจะมันจะมีปัญญาเกิดขึ้นมาไม่มีอะไรมากเท่าไรมันจะพิจารณามีปัญญาแต่เองเมื่อมีปัญญาไปตัดทั้งหลายแห่ความทุกข์ความยากควาทรมประมาณอย่างข้าววันนี้กินกี่จานทําไมมันกังวลบางวันทะเลาะกัน พ่อบ้านแม่บ้านมัได้อยู่เป็นสูงเดือดร้อกันเพราะอะไรมันจะได้ค้นคว้ามาอ่านดูมันจะรู้จับมันจะรู้จัปล่อยจังหวะจิตใจเราจะสงบเห็นเนี่ยมันต่องปล่อยให้มันปล่อยเป็นจิตใจที่เยียดเย็นจิตใจที่เนียนหนาเป็นกาลังที่จะเกิดปัญญาของเราสําหรับให้เราเยียดเย็นในครอบครัวนี่ที้ยิบเป็นอูกแล้วแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือว่ามีเอ่อท่านผู้ใหญ่ซึ่งอายุก็ที่ราวเขาคุณอาคุณยายนะ ได้เล่าให้ฟังว่าท่านได้นั่งกรรมฐานและเป็นความจริงนะคะว่าเมื่อทุกคนที่ทุกคนที่มีจิตศรัทธาแน่นแล้วก็แน่กรรมฐานเนี่ยเมื่อนั่งไปดันดัเมื่อกิจสมบแล้วก็จะเห็นอะไรต่างๆเกี่ยวกับนรกสวรรค์หรืออะไรอย่างงี้ค่ะ่ือวฟังวามที่เป็นความจริงอันนี้มันเรื่องเกิดการันตอันนี้มันเรื่องคนกับบุคคลมันเรื่องที่องนั้นนะถ้าเห็นสวรรค์จะกระโดดตขึ้นไปได้ เห็นแสสว่างที่นี่เงินเลยเห็นสว่างเยอะไปนะไม่ต้องไปนั่งกับตาในแสงสว่างหรอกเดินไปตามเงินจำนาเห็นสว่างมันเยอะไปแล้วไม่ต้องอยากเห็นอันนั้นอยากจะเห็นความเสื่อมของของจิตดังนี้เมื่อถูกอารมณ์เมื่ออยากเห็มันไปยึดมั่นถือมันเนี่ยมันก็จัดทุกข์กันนะอันนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นไปกับมันเป็นมันเป็นเครื่องปรับของผู้มีปัญญาอืมันเป็นของเก็ดกะเ็รศนะมันเป็นของมันควนยึดมั่นถือมันอะไรถ้าไม่ต้องการอันนั้น อันนั้นมนของภายนอกมันเป็นไปได้ทุกอย่างนะนั่นคือจุดประสงค์ของาก็คือว่าการนั่งกรรมฐานนี่ต้องการทำจิตใจให้สงบ่แต่ว่าการนั่งกรรมฐานของท่านผู้ใหญ่ที่เคยลองเล่าความว่าสมัยเด็กๆคือต้องกรรมฐานแบบต้องการอยากจะรู้นั่นแหละคนชอบเป็นมนรุคนชอบเป็นมนรุจะไปนั่งกับมันาทาทานทาไมกันนะนั่งไปดูจามีไม่นู้จะต้องเกดดูอะไย ไม่ต้องการอย่างนั้นแล้วเนี่ยรู้ว่ามันเป็นของปลอมเลไมันจำไปด้วยคือถ้าินนั่งให้ต้องการจะเห็นเห็นจริงหรือเปล่าไม่รู้บางคนบางคนเห็นบางคนตัวไม่เห็นไม่ใช่คนคนเดียวมันคนหลายคนทำทำไมอ่ไอ้คนเราไม่ต้องการีจะเห็นอะไรอ่ก็ต้องการที่เห็นอะไรไอ้เจจะขอมันจะอบเทานั้นเองใช่ไอ้คนเรา่หมใช่ที่ใครบอกเห็นต้องเห็นนี่เพราะว่า ไอ่เห็ดขาวมากกว่าซอยในตัวมันวางเลยแสดงว่าเขากินเขไม่ว่างกินแค่ปดอนเองใช่ถูกก็ไดนท่านถ้าเห็นก็เห็นมีเหตุผลดีคน่งเห็นเห็นเรื่องจนมันหลังนับไปมันมีเรื่องเจอเดี๋ยวเห็นไม่เห็นเดี๋ยวเห็นมุมบ้านหรือบ้านเวลา